6. สุราปานวกสี 4. อนาธริยาสิกขาบทว่าด้วยความไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือนเรื่องพระชันนะ 340. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระชันนะประพฤติไม่สมควรภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าท่านชนะ ท่านอย่ากระทําอย่างนั้นการกระทําเช่นนี้ไม่สมควรท่านไม่เอื้อเฟื้อยังขืนทําเหมือนเดิมบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนทนาว่าฉนัท่านพระชนะจึงไม่เอื้อเฟื้อเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านพระชนะโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ